เวลาตีห้ากว่า ก, าก็มีแท็กซี่คันหนึ่งกําลังจะไปส่งผู้โดยสารที่ดอนเมืองขณะที่รถกําลังวิ่งอยู่โชเฟอร์แท็กซี่ก็ชวนผู้โดยสารซึ่งเป็นชายวัยกลางคนพูดคุยด้วยแท็กซี่ก็เล่าว่าเมื่อสมัยก่อนบ้านอยู่แถวลาดพร้าวเปี่ยวมากหารถผ่านลําบากผิดกับสมัยนี้แค่โทรเข้าสู่แท็กซี่ก็บารับถึงบ้านแล้ว เมื่อสิปีก่อนลูกชายเนี่ยอายุประมาณขวบหนึ่งป่วยหนักชักเกือบตายตนตกใจมากแล้ววิ่งอุ้มลูกเนี่วิ่งไปบนถนนเพื่อหาแท็กซี่พาไปส่งโรงพยาบาลแต่ไม่มีแท็กซี่มาเลยแม้แต่คันเดียวจําเป็นต้องอุ้มลูกวิ่งไปหาเพื่อนบ้านใกล้ๆ ก, กันแหะขอให้ไปส่งที่โรงพยาบาลราวิถีเพื่อนบ้านก็ไปส่ง ท็กซี่ก็เล่าต่อไปว่าเนี่ยใครไปถึงโรงพยาบาวิถีแล้วก็ถามว่ายาวเท่าไรค่ารถเพื่อนบ้านเรียกห้าร้อยนี่สร้างความแขนใจให้กับโชเฟอร์มากเพราะเงินสมัยนั้นสมัยเมื่อประมาณ14ปีก่อนเนี่ยก็ถือว่าห้าร้อยก็เยอะอยู่เพราะว่าวิ่งจากลาดพร้าวมาโรงยาบาลวิถีเนี่ยถ้ารถไม่ติด ช่วงปีหนึ่งเนี่ยก็ประมาณแค่70บาทรถติดก็ไม่เกินร้อยแกก็แค้แล้วแกก็เล่าให้ผู้โดยสารฟังมาตลอดชายที่นั่งมาด้วยก็ฟังจนแท็กซี่พูดจบแกก็ เ, เอ่ยขึ้นบ้างคุณชื่ออะไร๋อผมชื่อนิยมครับคุณนิยมขับรถมากี่ปีแล้วอ๋อ7ปีครับรถแท็กซี่เนียวิ่งกะละกี่ชั่วโมงโอ้สชั่วโมงครับแต่วิ่งไม่ไหวหรอก7ชั่วโมงก็เหนื่อยล ต้องพักผ่อนชายผู้นั้นถามต่อสมมุตินะนี่คุณนิยมคุณขับรถบาร์ดดชั่วโมงแล้วพักตอนสี่ทุ่มแล้วเวลาตีหนึ่งเนี่ยมีผู้โดยสายาบิธุนัด่วนมาจ้างคุณเนี่ย700รคุณจะไปไหมแท็กซี่ก็ไม่ไปครับช่วงนั้นกำลังพักผ่อนเงินไม่ประโยชน์เลยการท่อก่อนสำคัญกว่าอ้าวคุณเป็นโชเฟอร์แท็กซี่อาชีพ 700รบาทคุณยังไม่ไปเลยแล้วเพื่อบ้านของคุณเนี่ยอาจจะทำงานหนักกับคุณก็ได้เราไม่รู้เขาทำงานอะไรขณะพักผ่อนอยู่ครอบครัวอยู่ๆตอนตีหนึ่งก็มีคนมาเรียกขอช่วยเหลือซึ่งเขาไม่มีทางเลือกเลยจำเป็นต้องไปถ้าเขาไม่มีน้ำใจและไม่มีรถเนี่ยลูกคุณตายแน่นอนแถมพ่อของเด็กยังดา่า คนที่มีบุญคุณช่วยลูกให้พูดอานสารฟังบ่อยๆผมคิดว่าผมคงไม่ใช่คนแรกถ้าพ่อของเด็กมีน้ำใจนะให้เงินไปสักพันหนึ่งโดยไม่องถามอะไรทุกวันนี้คงมีความสุขมากนิยมมองที่กระจกเลยมองชายคนที่พูดเลยเหรอชายชายผู้นั้นตกใจพูดพูดเพลินไปหน่อย ลักเอ๋อถามว่าท่านจะไปไหนครับตอนแรกเรียกคุณตอนนี้เรียกท่านแล้วพูดด้วยน้ําเสียงที่เรียบสงบอ๋อผมจะไปสอนคนให้คิดเป็นทําไมเมื่อก่อนผมไม่เคยคิดแบบที่ท่านพูดเลยผมด่าเขามาตลอดตอนนี้ผมรู้สึกเสียใจจะไปขอโทษเขาดีไหมผมย้ายบ้านมาสามปีแล้วผู้โดยสารขึ้นมาว่า คุณเนี่ยถูกธรรมชาติลงโทษมา14ปีแล้วมันจะเป็นแล้ไปขอโทษเขาหรอกเพื่อนบ้านคุณเนี่ยเขามีความสุขที่ช่วยให้ชีวิตลูกคุณเนี่ยปลอดภัยแถมคุณยังให้เงิน500อีกถือว่าคุณแฟร์ส่วนคุณจะเครียดมาตลอดถ้าจใจผมเราเนะคุณเป็นคนเห็นงาตัวใจแคบที่เอ่ยปากถามว่าจะเอาเท่าไหร่เจตนาก็เพื่อหเห้าปฏิเสธถ้าคุณให้จริงเนี่ยคุณจะไม่เครียดแบบนี้เลยให้ให้แบบ เต็มใจให้เนี่ยเพราะลูกคุณเนี่ยมีราคามากกว่า500ร้อมากไม่รู้กี่พันกี่หมื่นเท่าโชฟ่แท็กซี่ฟังแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเลยขั้นไปถึงดอนเมืองก็ก้มลงกราบชายผู้นั้นแถมจะไม่เอาค่าโดยสารด้วยแต่ชายผู้นั้นบอกไม่ต้องหรอกแถมให้ให้ติไป20บาทชายผู้นี้ก็คืออาจารย์พิพิธภุมแก้ววิทยากรชื่อดังเรื่องนี้ก็ สะท้อนเห็นว่าคนเราเนี่ยทุกวระความคิดปรุงแต่งอยู่กับความรู้สึกไงคือคิดไม่เป็นบางทีเรื่องที่ขัดใจเราก็คิดมานานไม่ยอมปล่อยวาง14ปีที่นานนะสำหรับคนที่แค้นใจคนคนหนึ่งแค่เปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนละยุคนี้เป็นยุคโควิดเป็นยุคที่คนลำบากเมื่อจะเป็นการเป็นอยู่การไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อน แต่ตอนนี้ก็ถือว่านานแล้วแนะ่ะเกือบสองปีแล้วทำให้คนปรับตัวกันได้ชินไปเองถ้าโควิดหายก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะต้องกลับไปใชีวิตเดิมเรื่องต่อมาที่วัดเซนแห่งหนึง่งอีกขอทานคนหนึ่งขออาหารกัแบบเจ้าวาดเจ้าวาดก็ให้ไปขนก้อนอิฐที่อยู่สารานหน้าให้ไปไว้ที่สาราหลัง ขอทานก็แสดงสีหน้าไม่พอใจเพราะขอทานมีแขนเดียวเอยคิดว่าท่านไม่เต็มใจให้อาหารก็ไม่ต้องให้ก็ได้ทำไมต้องล้อเลียนแบบนี้ด้วยจารย์เซนเจ้าว่าก็เดินพาขอทานไปที่กองหินเนี่ยแล้วก็ใช้แขนข้างเดียวยกก้อนหินทีละก้อนทีละก้อนให้ดูด้วยความหิวขอทานไม่มีทางเลือกยิงคอขนหินจนหมดกองอะหลังจากขนหินเสร็จแล้วจารย์เยนก็ให ให้เงินตอบแทนคงจะพอสมควรเน่ะโอ้ขอทานดีใจมากกลับแล้วกลับอีกอาจารย์เซนบอกว่าไม่ต้องขอบคุณหรอกพ่อนี่คือเงินค่าแรงที่ทำหลังจากทานอาหารเสร็จขอทานแขนเดียวก็จากไปแ้วต่อมาก็มีขอทานแขนดีแหละมาขออาหารอาจารย์เซนก็พูดเหมือนเดิมแหละให้ย้ายกองอิดจากศาลาข้างหลังศาลาเนี่ยให้มาไว้ศาลาหน้า แต่ขอทานผู้นี้ไม่ยอมย้ายก็จากไปโดยไม่ยอมทานอาหารเรื่องนี้ก็สร้างความงงงงให้กับลูกศิษย์มากจึงมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทำไมต้องย้ายก้อนอิด จ, จากสาราหน้ามาสาราหลังลก็ย้ายจากข้างหลังไปข้างหน้าด้วยทำไปเพราะอะไรครับอาจารย์เซนก็เฉลยว่าก้อนอิด จ, จะอยู่ข้างหลังหรือข้างหน้าเนี่ยไม่สำคัญหรอกสาคัญที่ว่าขอทานจะยอมย้ายหรือเปล่าต่อจากนั้นไม่นานหลายปีเหมือนกันนะ ก็มีชายผู้หนึ่งมาเยี่ยมวัดชายผู้นี้ก็แต่งตัวภูมิฐานก็คือขอทานแขนเดียวนั่นเองเข้ามากราบอาจารย์เซนแล้วก็เลิกไปขอทานแล้วตอนหลังก็ใช้ความสามารถให้ตรงกับแขนข้างเดียวของตนนะเน่ะพราะหลังจากรับเงินไปนแกก็แกแก็ภูมิใจนะว่าเนี่ยโอ้โหแกมีคุณค่านะไม่จำเป็นต้องมาขอทานไนงะเกิดกำลังใจสู้ชีวิตชีวิตก็เลยเปลี่ยนเลยจะขอทานกลายเป็นคนมีฐานะเลยส่วน ขอทานแขนดีก็เป็นขอทานเหมือนเดิมเพราะไม่ยอมเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องต่อมาก็เกิดที่วัดเซนเหมือนกันวัดเซนแห่งหนึง่งวันนี้ทําขนมเปี๊ยอร่อยมากคนเนี่ยมาเข้าคิวซื้อขนมเปี๊ยะเต็มเลยแต่และ ว, วันขอทานคนหนึง่งลู้ขา่าวอยากกินขนมเปี๊ยะบ้างจึงเดินทางไกลมาเพื่อจะไปชิมขน ม, มเปี๊ยะที่วัดเซนแห่งนี้มาถึงก็จะเข้าไปที่โรงครัวเพื่อรับขนมเปี๊ยะ ลูกวัดเห็นเข้ารู้สึกลังเกียจขอทานนะที่แต่งตัวมอซอจึงฉุดกระชากไม่ยอมให้เข้าไปขณานั้นเจ้าวาดไปเห็นเจ้าวาดบอกให้หยุดเลยเราเป็นพระเราต้องมีเมตตาแล้วตัวเจ้าวาดเนี่ยก็ไปเรือกขนมเปี๊ยะชใหญ่ๆ่มาให้ขอทานกับมือขอทานก็ขอบใจแล้วขอบใจอีกแล้วก็ทานจนมเปี๊ยะหมดจากนั้นขอทานก็พักอให้เจ้าวาดเจ้าวาดก็รับเงินนะแล้วก็ให้พร ขอท่านเดินทางโดยสวัสิภาพเรื่องนี้ก็สร้างความงุนงงให้ลูกศิษย์เหมือนกันลูกศิษย์จึงถามอาจารย์ท่านให้หลงเปี้ยโดยไม่คิดเงินจะขอทานรักษาไปตอนหลังจึงรับเงินจะขอทานด้วยเราเจ้าว่าก็เฉลยตอนแรกเราให้หนงเปี้ยแกขอทานจริงแต่ขอทานเนี่ยเป็นคนที่เคารพกติกาสังคมเราจึงรับเงินของเขามาคือเป็นคุณค่าของตัวขอเองอ่ะ จะสร ง, งภูมิใจให้ตัวขอทานรู้สึกยิงเข้าใจท่านทุกคนเนี่ยก็มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีอยู่อยู่ที่จะใช้เป็นหรือไม่เจ้าวาดท่านก็ฉลาดท่านก็ไม่ได้ดูถูกให้ก็ส่วนให้รับก็ส่วนรับแยกแยะเพราะว่าคนเราถ้าเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนได้จากคนจนแล้วกลายเป็นคนมีฐานะได้จากคนรวยบางครั้งก็ทําให้ยากจนได้เหมือนกันอย่างเรื่องนี้ มีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งแกร่ารวยมากมีที่ดินมากมายแกมีลูกชายอยู่สองคนเศรษฐีก็กำลังจะตายเพราะแก่มากแล้วจึงเรียกลูกชายสองคนมาสั่งเสียและแบ่งสมบัติให้ลูกเท่าๆกันแล้วบอกลูกว่าลูกกินอาหารให้อร่อยๆนะลูกก็รับปากหลังจากพ่อตายไปแล้วลูกชายคนโตก็ทำตามคำสั่งของพ่อแหละกินอาหารแต่ละมื้อต้องหรู ซื้ออาหารดีๆปลาดิบมากินไม่ยอมทํางานทําการเลยกินทุกรูปแบบที่แพงๆส่วนน้องชายทําตรงกันข้ามน้องชายกินข้าวกับน้ําพริกกินอาหารแบบชาวบ้านชาวบ้านนั่นแหละตอนหลังพี่ชายก็กินจนหมดเนื้อหมดตัวแหละ ก, กินจนกินจนเงินหมดไม่รู้จะทำไงก็ต้องขายที่มรดกอะที่ดินให้กับน้องชายน้องชายนี่ ขยันทำมาหากินน่ะก็มีเงินรับซื้อที่ดินต่อจากพี่ชายพี่ชายไม่มีทางไปก็เรามาอยู่กับน้องชายอะ่ะแต่น้องชายก็บอกพี่ต้องทํางานนะอยู่เฉยเไม่ได้วันหนึ่งน้องก็ใช้พี่ทํางานแ่ะพี่ชายหิวข้าวมากเลยน้องชายก็ไม่ให้กินบอกพี่ทนท น, ทนหน่อยพี่ชายก็ทํางานสักพักหนึ่งก็หิวแล้วจะมากินข้าวน้องชายก็ยังไม่อยอมให้กินนะไว้าทาต่อไปอีกพี่อยู่เดี๋ยวค่อยกินนู่นนะ่ะจนครั้งที่สมที่สี่ จนหิวมากอ่ะน้องชายบอกอ้าวพี่กินข้าวได้แล้วอาหารก็คือธรรมดาแหละน้ำพริกแล้วอาหารบ้านๆไข่เจียวอะไรเงี้ยธรรมดาไม่ได้พิเศษอะไรโอ้พี่ชายกินอาหารยังอร่อยมากเลยนะเพราะทางานมาเหนื่อยเพียรแล้วก็เอ่ยกับน้องเอ้ยพี่ไม่เคยทานอาหารอร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยนี่แหละคือคําสั่งเสียของพ่อแหละกินอาหารให้อร่อยอร่อยนะอันมาชอบเรื่องนี้นะเพราะว่าเราที่มองข้าม เขาว่ากินอาหารอร่อยๆนะอย่างตัวนมาเนี่ยเคยเดินทางมันดีหิวมากเลยหาที่ไหนก็ไม่เจอร้านอาหารจังหวะไม่ได้เพราะาพระเนี่ยมันมีเรื่องฉันเพลย์ไงถ้าฉันหามากก็จะเลยเดี๋ยวเกินเที่ยงอะไรเงี้ยตอนนั้นโยมก็พาไปไม่มีทางเลือกอะตอนเช้ากินนิดเดียวตอนเพลยเนี่ยไปกินร้านข้าวแกงธรรมดาโอ้โหรู้สึกอาหารมื้อน่าอร่อยมากเลยอร่อยกวัดเราอีกเพราะเราหิว อาหารวัดเราบางทีก็หรูเวลามันไม่ไม่เหมาะเจาะมันกินเรากินตอนที่เราไม่หิวไงเพราะพักเลือกไม่ได้เราก็เลยเห็นเฮ้ยบางทีอาหารไม่ถ้าอาหารอาหารธรรมดาเนี่ยถ้าเรากินถูกเวลาเนี่ยกินตอนที่เราหิวเนี่ยมันจะอร่อยเป็นพิเศษเลยทําทํางานเหนื่อยเหนื่อยหลาใคร ย, ย้อยอะไรเงี้ยร่างกายต้องการอาหารเนี่ยอาหารหรูแต่ถ้าเกิดมาผิดเวลาเราอิ่มอยู่แล้วอะ่ะเราก็กินกินไปก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเรื่องนี้ก็สอนใจนะให้คนเรารู้จักใช้ชีวิตให้เป็น ถ้าไม่เป็นก็จะเป็นแบบรวยกับบะจนได้อันนี้เป็นเรื่องถูกใจกับถูกต้องมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งโกกับแปะเป็นเพื่อนกันทั้งสองเนี่ยเป็นคนจีนแต่ขยันทาหากินจึงท้ามีฐานะดีอย่างรวดเร็วกับชาวบ้านคนอื่นๆ อ, อาโกวันหนึ่งก็นิมนต์พระมาขึ้นบ้านใหม่อาแปะก็ไปด้วยหลังจาก ฉันอาหารเสร็จแล้วพระก็ให้ยะถาพีแล้วก็อายุวัฒกาธนวัฒกาศรีวัฒกาญาสาวัฒกามีโกทุกคำเลยอัแปรนี่ฟังแล้วโอ้โหแบบตื้นตันใจมากเลยจึงบอกโอกเพื่อลักบอกว่าให้นิมนพระชุดนี้นะไปทำบุรบ้านอัวดด้วยโกก็รับปากได้แล้ววันที่รอคอยก็มาถึง อแปะเนี่ยก็โห่รับแขกยังมีความสุขหัวเลาะห่อหอรีๆตลอดและถึงตอนที่แกรอคอยหลังจากพระทานอาหารเพลิแล้วพกักให้พรให้พรยะถาเสร็จแล้วก็อายุวัตนโกะธนวัฒนโกะสิริวัฒนโกยะสวัฒนโกภราวัฒนโกอแปะผิดหวังมากเลย ตะโกนออกมาว่าไม่ใช่นะพระไม่ใช่นะอ้วชื่อแป๊ะนะไม่ได้ชื่อโกหลวงตาคนที่นําสวดมนต์เนี่ยแย้งว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของบาลีไม่เกี่ยวกับชื่อโกมาชื่อตรงกันพอดีอ่ะแป๊ะไม่ยอมอ่ะแป๊ะบอกว่าไม่ไล่อ๊วไม่ยอมถ้าลือไม่ยอมสวดอ้จะไม่ถวายซองนะหลวงตาไม่รู้จะทำไงพาลูกวัดที่ไปด้วยก็ นหนย่อ น, นาผ่อนผันกันได้หลวงตาจึงต้องสวดมนต์อายุวัฒนะแปะธนวัฒนะแปะศริวัฒนะแปะยศวัฒนะแปะอะแปะ น, นี่หัวเราชอบใจรีๆตลอดมันต้องอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องเรื่องของถูกต้องกับถูกใจซึ่งชาวพุทธเราก็มีแบบดีเยอะอยู่เหมือนกันนะจะเอาเอาถูกใจแต่ไม่เอาเรื่องถูกต้องไนงะ เห็นพระต้องทําตามใจตัวเองถ้าพระไม่ตาใจก็โกรธก็มีเกลียดพระไปเลยก็มีหาว่าพระไม่ร่วมมือด้วยก็มียังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คล้ายกันที่ยริงอาณาเล่าบ่อยนะแต่ว่าก็ถือว่าเล่าทุกทีก็เปลี่ยนอารมณ์ใหม่ทุกทีมีผู้หญิงคนนึงเป็นเมียนนายตำรวจมีชื่อว่าโตแกเป็นคนเจ้าลมอายุประมาณห้าสิบแต่แกก็ชอบทำบุญนะถึงวันเกิดแกก็นิมนต์พระครูที่สนิกันนั่นแะ มาฉานอาหารที่บ้านพระครูมาถึงก็ถามไายทุกสุ่ดิตตามสาคุณรู้จักกันน่คุณนายสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างาคุณนายโตก็คุยกันหลังจากนั้นก็ถึงเวลาทานอาหารให้พรตามประเพณีไทยส่วนมากจะให้พรก่อนแล้วค่อยฉันอาหารเนี่ยพระครูแกก็ให้พรคุณนายโตอะ่ะตามธรรเนียม ยัถาวารีวหาปูลาปาริปุเรนติสาคขังเอวะเมวะอีโตทินังเปตานังอุปกาปะติคุณายโตมโหมากเลยที่เรียกอีโตทินังเนี่ยแตะกระโถนเลยแล้วก็ตะโกนมาเมื่อกี้เนี่ยยังเรียกคุณนายอยู่ดีเลยคุณนายโตอยู่ดีตอนนี้มาเรียกอีได้ไง ฉันไม่ยอมนะพระครูพระครูพยายามอธิบายให้คุณนายโตเข้าใจแกไม่ยอมรับฟังแล้วก็เลิกคบเลยตอนหลังก็ไม่ยอมใส่บาทแล้วก็ไม่ยอมทมําบุญเห้กับพระครูอีกเลยวันเกิดปีต่อมาแกก็ไปนิ ม, มนต์เจ้าคุณที่อยู่ไกลเจ้าคุณก็งงเอ๊ะทําไมมีพระครูวัดใกล้กลๆเถอะไม่ยอมนิ ม, มนต์คุณนายโตก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ไม่ไหวเลยนะ่ะเมื่อก่อน ก่อนจะฉ า, านเรียกคุณนายพอฉะพอให้พรมามาเรียกอิโตพระคุณเจ้าคุณก็รู้ว่าอ๋อที่อะไรไปอะไรขั้นถึงเวลาให้พรเจ้าคุณก็ให้พรว่ายาทตถาวรีวหาปูลาปาลีปุเรนติสาคลังเอวเมวะคุณนายโตทินรังคุณนายโตหัวเราชอบใจ เนี่ยมันต้องอย่างนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้คือเรื่องของความถูกต้องกับถูกใจถ้าเราเอาแต่ถูกใจเราไม่เอาถูกต้องเนี่ยบางครั้งก็สร้างปัญหาล่าไปถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดมองโลกทางบวกแล้วก็ยอมปรับตัวให้เข้าสถานการณ์เราก็สามารถใช้หัวอย่างผาสุกได้เพราะว่าแต่และ ว, วันเนี่ยเราไม่สามารถเจอสิ่งดีได้ทุกวันหรอก บางครั้งเราก็อยู่กับสิ่งที่แย่ๆบ้างแต่เราต้องปรับทัศนคติให้อยู่กับสิ่งที่แย่ๆโดยให้เราเนี่ยไม่ทุกข์โลกธรรมมีราบเสื่อมราบมีสุขมีทุกข์มีเสื่เสริอมีทันทาอันนี้เราคงเจอทุกวันเลยและเรื่องที่ไม่ดีอ่ะมักจะมีมากกว่าเรื่องที่ดีนะเรื่องสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศเรื่องคนไม่น่ารักเรื่องสิ่งที่ไม่ถูกใจ ยิ่งถ้าทำงานในเมืองเดี๋ยวเจอรถติดเจอฝนตกยิ่งยุคนี้เจอโควิดด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยแถมต้องใส่หน้ากากอีกมองไปทางไหนมีแต่ความเครียดบางคนประสาทเสียไปเลยก็มีแต่ถ้าเรายอมรับความปนจริงของโลกไปอย่างเงี้ยเราก็อยู่กับความเครียดได้อยู่กับสิ่งที่ไม่ดีได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกสิ่ง มันเป็นดิจังทุกขังนัาตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานหรอกฝนตกหนักเดี๋ยวก็ผ่านไปแดดร้อนเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวเข้าเป็นสาก็ผ่านไปคนนั่งอยู่นี่เดี๋ยวก็ตายกันหมดเพราะว่าเป็นไปตามกฎตายรักไม่มีใครรอดชีวิตได้จะตายช้าตายเร็วอันนี้คือความจริงของโลกถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็เออเข้าใจยอมรับได้ ถึงเวลาตายก็ยอมรับความตายและเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ยอมรับความป่วยเวลาสูญเสียของของหายของเจ๊งของพังแล้วก็ไม่ต้อทุกข์กันก็ได้เสียแล้วก็เสียไปถ้าเราฝึกอย่างนี้ประจำวันได้แล้วก็เวลาตายจริงหรืออะไนั้นจริงๆเราก็ไม่ทุกมากอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรเวลาก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขมีความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไป แล้วขอให้ถ้าคิดแย่ๆก็ขอให้เปลี่ยนวิธีคิดให้มีความสุขก็แล้วกันสาธุเอวัง